โยเยะติตังนันวาขะมยนาปติกังเขอนาข้าตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติดำปาหินันตังอาปะจันจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจุปันนั้นจะโยธรรมังตถาตถ ะ, ะวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามนุพูุหาเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจง้งไม่งอนแงนคลอนแคลนเขาผูนอาการเช่นนั้นไว จะมาดับปังโกชัญญามะระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นะฮิโนสังครันเตนะามาหาเสนเนามัจจุนาอัน <c> โ <oughs> ตบาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามัตันที่ตังตังเวพาเทกรัรโตติสันโตาจิกะเนมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดข้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตรีเดียวก็น่าชม เยชะติตาสัมพุทธาเยชะพุทธาอนาคตาโยเจตระหิสัมพุทโาพุนังโสกนาสนวพระพุทธเจ้าบันดาที่ล่วงไปแล้วด้วยที่ยังไม่มาตรสรู้ด้วย และพระพุทธเจ้าผู้ขจันสของมหาชนในการบัตรนี้ด้วยสะเพสธรรมะครุโนวิหาริงสุวิหาติจา้อาอาทปิวิหาริสันติเอสาพุทธานธรรมาตา <c oughs> <c oughs> วง น, นั้นทุกพระองค์เขารพาธรรม ได้เป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่ด้วยและจากเป็นด้วยเพราะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองตาสมาหิอาตากาเมนามหาตามาพิตังกาตาสัทธมโมคารุกาตะโพสรังพุทธานาสหาสนางัง เพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่พึงพยายาคำเข้าโรพาธรรมนหะิธรรมโมอธ ร, รมโมจะอุโพสามมวิปากีโน <c oughs> เหมือ น, นกันทางสองอย่างหามิได้อาธรรมโมนิระยังเนติธรรมโมปาเปติสุขติงอาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำให้ถึงสุขติธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตน สูจินนิน่เป็นอนิสงในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้วสัพพาปสสะการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุสราสุปสะสัมปะธาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตปริโยธปนงัง อ่านชำระจิตของตนให้ขารอบเอตังพุทธานาาสนางทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติา้ากันติคือความโกรกลั่น <c oughs> ทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง ประมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนหิปะปาชิตโตประรูประคาตีอาู้สัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมามโนโหติปา ร, รังวิเหตยันโต ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่ผู้ร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมคเคจะสังวรูการสำรวมในปาติโมกมาตัญยุตาจะพัตตาสมิง ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันญญนจะศยนาสนางังการนอนการนั่งในที่อันสงัดงาที่จิตจะหายโยโคววามันประกอบในการทำจิตหายิงิงเอตังพุทธานาสหสนงัง ตามหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอะเนกะชาติสังสารังสันดาวิสังอนิปิสังเมื่อเรายังไม่พบญานได้แลน่นไปในสงสารเป็นอเนกะชาติ ข้าหา ก, การังข้าเวสันโดทุกขาชาติพุนปุนางสแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปูุกเรือนคือดันหาผู้สร้างภพคือทุกข์่าวเป็นทุกข์ล่ำไป หาหาการะกะทิโทสีปูนับเคหังนักาหาสีนี่แน่ในช่างปูกเรือนเรารู้จากเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตพาสุกาภคาคะหะกูตังวิสังคาตังองเรือนทั้งหมด เราหากเสียแล้วย่อยเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังคาระั <c oughs> รงจิตตังตันหานังขยมัจฉาคาจิตของเราซึ่งสภาพที่หาไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาหันด า, ดานีพิกเวมันตยามิโว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบบดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าไวยะธรรมมาสังฆาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาปมาเดนาสัมบเดตาท่านทั้งหลายจึงทำคาไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด อายังาาาตาาคตาซาปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาโคตเจา้าทความสบส